พระบัญญัติ2กก็เภศัชใดควรลิ้มสำหรับภิกษุผู้เป็นไข้คือเนยใสเนยคน้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยภิกษุรับประเคนเพศัชนั้นแล้วเก็บไว้ได้ฉันเจดวันเป็นอย่างมากให้เกินกำหนดนั้นไปต้องอบะนิสกิยะปาจิตตีเรื่องพระเปลินทวัตชะจบ